อันนะให้ความปลอดภัยในทรัพสมบัติของสัตว์ทั้งหลายให้ความความคุ้มครองในบุตรและภระยาของสัตว์อื่นทั้งหลายคำพูดทุกคำไว้ใจได้คำพูดเป็นไปเพื่อสมัครสมานสามคัคคีพูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะน่ารักยิ้มเย้ยมแจ่ ม, มใสพูดทุกคำมีประโยชน์มีใจเป็นอานาพิชากำจัดความ ความโลภมีใจกำจัดความโกรธมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิมีสัจจานุโลมมิจยานเป็นคนกตันโยกะตะเวทีอ่อนน้อมอาชีพดีรักกุศลธรรมเนี่ยนะนะห้ามจากความชั่วห้ามตัวเองและห้ามคนอื่นจากความชั่วประกอบตัวเองและคนอื่นให้อยู่ในคุณงามความดีรู้อะไรเป็นความเลวร้ายก็เรีบสละสิ่งนั้นทันทีเหมือนคนแย่มือเข้าไปในไฟฉะนั้นเนี่ยนะ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 พระพุทธเจ้าพันเข้าหลอกเราเรื่องนิดเดียวนะเราจะหลอกเขาในเรื่องใหญ่ๆหญ่าด่าเราคําเดียวเราด่าเขากระเจัดกระเจิงไปหมดก็ไม่ใช่อย่างนั้นพันก็เรียกว่าไม่เป็นคนผูกเวร น, นะเมื่อไม่ผูกเวรนั้ น, ะนะมีอัธยาสัยรักคุณธรรมรักกุศลธรรมตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมก็เลยประกอบกายวาจาจิตอยู่ในกุศลธรรมน่ยนะก็เลยเรียกว่าเป็นคนมีศีลดี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 คือประชุมเพื่อรักษากุศล ก, กรรมบทสิ็มีไม่กี่สมาคมโดยมากเมื่อมีการสมาคมงานสมาคมอะไรสมาคมทาตาาติบาทสมาคมอาทินนาทานแต่โอ้แต่เขาไม่ใช่ศัพท์แบบนี้หรอกเขาใช้คำเพราะมาก แต่เขาใช้ศัพท์อย่างอื่นนะสมาคมกาเมสุมิชชาจาร์สมาคมามุสมาวาสมาคมพุทวาจาปิสุณาวาาสมาคมาาาสัมผัสปลาปะสมาค ม, ม, ภาาา ม, าคมอภิชาสมาคมพยาบาทสมาคมมิชฉาทิฏฐิรวมๆแล้วมันมีเท่านี้แหละแต่เขาใช้คำดีมากไม่ใช่ศัพท์แบบนี้ถ้าใช้ศัพท์แบบนี้เสียยี่ห้อหมดใช่ไหมพยายามบอกโอ้ยเรียกว่าทมเลวแต่ว่ายี่ห้อมันดีนี่ต่อไป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 ก็คือพอรู้ว่าพิษปั๊บก็รี บ, ร, บรีบกำจัดรีบออกทันทีเพราะว่าถ้ามันไหลเข้าไปสร้างแต่ความเสียหายท่านก็เลยเรียกว่าอากุศลวิตกอัลา ม, มกเช่นกามวิตกพยาบาทวิตกวิเหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นน้อมไปเพื่อกำจัดอกุลุลธรรมอัลา ม, มกเหล่านั้นอันนึ่งจิตของมหาบุรุษนั้นสงัดตั้งมั่นโดยไม่ยากท่านดํารงอยู่ในความสงบไม่ยากเนี่ยนะ ที่ที่จะทําให้แป๊บเดียวท่านก็ทําให้สงบได้แป๊บเดียวได้แล้สามารถที่จะเจริญกรรมาฐานแต่ละอย่างโดยไม่ยากไม่เย็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานเป็นผู้ที่มีจิตเป็นเมตตาน้อมไปในประโยชน์คำว่ามีเมตาเมตาแม้แต่ในศัตรูนี่ยนะมีเมตตาแม้แต่คนที่เป็นศัตรูมีความคิดว่าจะช่วยศัตรูให้ได้รับประโยชน์ได้อย่างไรนะคำว่าในขณะที่กําลังต่อสู้กันอยู่เนี่ยนะขณะที่กําลังแทบจะเรียกว่าฆ่ากัน ขณะนั้นยังมีความคิดว่าจะช่วยให้เขามีความสุขความเจริญได้อย่างไรจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรวางแผนให้ศัพท์ศัพท์ทั้งหลายได้รับความสุขเนี่ยนะด่ายังไงให้เขาได้รับประโยชน์ไงล่ขะขนาดตำหนิเขานะแต่ตําหนิยังไงให้เขาได้รับประโยชน์คือคือเป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นดูภายนอกเหมือนกับทําลายแต่จริงๆแล้วคนที่ฝ่ายตรงกันข้ามจะได้รับประโยชน์อยู่เสมอเนี่ยนะก็คือเป็นคนที่มีใจน้อมไปเพื่อประโยชน์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 ขณะเดียวกันท่านบอกว่ามีเมตตาน้อมนําประโยชน์ไปให้แม้แก่ศัตรูได้อย่างเร็วมีความคิดวางแผนว่าคนอื่นจะได้รับประโยชน์ได้อย่างไรขณะศัตรูยังน้อมประโยชน์ไปให้ศัตรูได้จะกล่าวไปใหญ่ถึงคนนอกนี้ทําไมจะไม่สแสวงหาประโยชน์แก่คนอื่นขณะศัตรูยังคิดว่าเอ๊ะทำยังไงศัตรูของเราจะเจริญไม่ต้องพูดถึงคนแบบทั่วๆไปไม่ต้องพูดถึงคนที่ อยู่ใกล้อะไรเป็นต้นเนี่ยนะมีแต่น้อมนาประโยชน์อย่างเดียวเป็นผู้ที่มีสติระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดแม้นานได้เนี่ยนะเป็นคนที่เรียกว่าไม่เผลอเป็นคนที่ไม่เผลอเรอเลยนะระลึกได้เสมอว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะถ้าหากว่าเป็นคนเบลอนะอ้างจําไม่ได้แล้ลึกไม่ได้ไม่ต้องมาพูดถึงความหลังเป็นต้นเนี่ยมันจะทารายกัน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 นี่ก็เหมือนกันท่านมีความสุขกับการมีปัญญานีนะมีความสุขที่มีปัญญาเหมือนถ้าปัญญาไม่เกิดนี่คือความเดือดร้อนของท่านหันโอชาของชีวิตคือปัญญาทำยังไงปัญญางอกเงยอย่าลืมว่าสมมุติว่าตอนตั้งความปรารถนาแรกๆเนี่ยนะพระโพธิสัตว์แสงสว่างอยู่ในใจเหมือนกับแสงหิ่งห้อยแต่ว่าไอความสว่างของท่านท่านต้องการสูงสุดคือเท่ากับแสงอาทิตย์อย่างเงี้ยสมมตินะแล้วถามว่าแสงหิ่งห้อยพัฒนาสภาพแสงเนี่ยนะ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 เขาสามารถน้อมไปเจริญกุศลได้เนี้ยนะนะถือว่าฉลาดในกิจนั้นๆจริงๆเป็นผู้ปรารบความเพียรในการทําเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นคนที่ทําทุกอย่างปรารบความเพียนนะหมายความว่าไม่ไม่ท้อแท้นะไม่ท้อแท้ไม่ท้อนะถอยกล่าวว่าไม่ใช่แบบทําไปหน่อยเนะี่ยเบื่อแล้วเนี่ยนะเลิกดีกวา่าอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยนะมีแต่ความกล้าถ้าเป็นรถก็ไม่ใช่ว่า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 ไม่อยากพูดแต่รู้ว่าไม่รู้ทนไปทําไมก็ไม่รู้นะนะแต่นี้หมายคือว่าคําว่าอดทนในที่นี้คือสามารถเจริญกุศลโดยที่ไม่ได้มองสิ่งใดๆเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคไม่คิดว่าสิ่งใดจะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการเจริญกุศลไอความที่ไม่มองทุกอย่างเป็นอุปสรรคเนี่ยนะคือไม่คิดว่าทุกอย่างคืออุปสรรคจึงสามารถทนได้เสมอไม่ใช่บางคนนั่งฟังธรรมเนี่ยนะเขาบอกทําไมเขาไม่ฟังธรรมบอกฟังไม่ได้แล้วทาไม ย้งมันกัดเขาว่างั้นฟังตั้งสองชั่วโมงกัดตัวเดียวแค่นั้นอะทนไม่ได้นะอธิบายได้ว่าที่ไม่ฟังทำเขาว่างั้นคนที่ไม่มีความอดทนนี่ไม่อดทนจริงๆจริงๆก็ไม่มีศรัทธาอยู่แล้วนะแต่พูดให้ตรงตัวก็บอกเขาไม่มีศรัทธาว่างั้นนะแต่ถ้าคนที่มีศรัทธาเนี่ยนะอะไรที่เขาทนไม่ได้ไม่มีเพราะเนื่องจากว่าท่านมีอัธยาศัยในกุศลธรรมท่านจึงทนได้สมาทนที่จะเจริญคุณงามความดีใน กุศลธรรมแต่อกุสลเนี่ยท่านทนไม่ได้ทนไม่ได้ที่จะเป็นอกุสลตน่อนะอไปเป็นผู้มีความตั้งใจไม่หวั่นไหวความตั้งใจของท่านเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงหมายว่าใจที่ตั้งตั้งในที่นี้คือตั้งใจในการเจริญกุศลอย่างที่เรียกว่าไม่เปลี่ยนแปลงมีความสมาทานอย่างมั่นคงแล้วก็วางเฉยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาที่จริงก็ น, นะย้อนกลับมานะ เรียกว่าพูดอัธยาศัยในบารมีสิบแบบย่อๆใช่ไหมอย่างข้อแรกอัธยาศัยในทานอัธยาศัยในศีลอธิบายเยอะหน่อยอธิบายอัธยาศัยในเนคขมมะก็พอสมควรอัธยาศัยในเมตตาแม้แต่ในศัตรูได้อย่างรวดเร็วมีอัธยาศัยในปัญญาเป็นผู้ปราบความเพียนมีความอดทนมีอธิษฐานมีสัจจะแล้วก็มีอุเบกขาเพรันโดยรวมๆแล้วมีพื้นฐานในบารมีสิบมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อจะ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 คือคือใครคือผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสุตะจารคาวิรยิยะส ต, ติสมาธิและปัญญาถ้าดูให้ดีๆก็คืออินทรีย์5ใช่ไหมอินทรีห้าคือศรัทธาวิรยิยะส ต, ติสมาธิกับปัญญาก็เพิ่มศีลสุตะจารค้าเข้ามาก็คืออริยสัพย์ทั้งหลายนั่นแหละแปลวะ่ากาลยานามิตรที่สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์และอริยสัพย์เป็นกาลยานามิตรที่มีอริยสัพย์มาก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 องตรัสรูท้ทำที่ควรรู้ยิ่งควรละควรเจริญควรทําให้แจ้งแล้วก็ควรละควรกําหนดรู้เป็นตนน่อนะเมื่อมีศรัทธาอย่างนั้นแล้วก็ไม่สละการแสวงหาประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายอันเป็นเหตุแห่งสัมมาสัมโพธิญาตคือเนื่องจากว่าอาศัยกัลยาณมิตรที่มีศรัทธากัลยาณมิตรที่มีศรัทธาเนี่ยนะเขาก็จะไม่สละการแสวงหาประโยชน์ให้แก่สัตว์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 คนที่มีศีลจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นที่น่ารักเป็นที่น่าชอบใจเป็นที่น่าเคารพยกย่องของศาสร์ทั้งหลายเป็นคนที่คอยแนะนำคอยตักเตือนอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นความเลวร้ายก็ตักเตือนไว้อย่าไปทำอดทนต่อถ้อยคําแนะนำสั่งสอนอันนี้เรียกว่าคนณนะสมบัติของคนมีศีลนันก็แม้ถ้าเราได้คบคนที่มีศีลอย่างเงี้ยนะเราเห็นเขาเราก็รักเขา ชอบใจแล้วก็เคารพทั้งยกย่องเขาก็คอยแนะนำคอยตักเตือนคอยว่าคอยกล่าวถ้าได้กัลยาณมิตรอย่างนี้ก็กุศลเจริญนี่ไม่ใช่ยากใช่ในเมคิยสูตรเนี่ยนะเมิยสูตรเนี่ยนะว่าทำเป็นเครื่องบ่มอินทรีย์มี5ประการนะห น, นึ่งกัลยาณมิตรสองศีล 3. วิริยะแล้วก็มีระถาวัตถุแล้วก็มีปัญญาเนี่ยนะ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 ว่าคบคนเช่นใดก็จะเป็นคนเช่นนั้นไปคบคนมีศรัทธาก็ทําให้เรามีศรัทธายิ่งขึ้นไปคบคนมีศีลกุศลศีลเราก็จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปคบคนที่มีสุตาาสตะมากสุตตะของเราก็เจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปคบคนที่มีจาคะเราก็สละมากคบคนที่มีความเพียรในการเจริญกุศลธรรมก็ทําให้มีความภาคเพียรมันถ้าเราคบคนที่มีสติ แยกแยะในสิ่งมีโทษไม่มีโทษเป็นคนที่มีสติเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนไม่เผลอเรอเนี่ยนะก็ทำให้เราเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนตามไปด้วยครบคนที่ไม่ฟุ้งซ่านเราก็ทำให้ใจสงบใจตั้งมั่นครบพลที่มีปัญญาเนี่ยเราก็เพิ่มเริ่มมีสติมีปัญญาผละะั้คบคนที่มีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเขาเรียกว่าซ่องเสพคบกับกลยานามิตรอย่างนั้น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 ได้ปัจจัย4ี่เหตุสี่พะละสใช่ไหมจึงทําให้อภินิหารของท่านเต็มบริบูรณ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ปัจจัยสี่ได้เหตุสีได้พะละสีท่านจึงสามารถประชุมธรรมะอันประกอบด้วยองแปดให้สําเร็จเนี่ยนะประชมความเป็นมนุษย์ถึงพร้อมด้วยเพศชายอะไรเป็นมนุษย์เพศชายสั่งสมเหตุที่จะให้สําเร็จเป็นพระอรหันต